ค่อยเลยเวลาเลยพ <laughs> อดีนี่ใครจะถามปัญหาแล้วยอมสํำรวยอ่ะมีปัญหาไหมมีไหมไม่มีนะพอจะชัดเจนไหมชัดเจนเ น, ะ น, นะาะมีคิดไม่ถึงที่ว่าคิดถึกับพรทธลูกสาวใหม่ใจคนแล้วก็เป็นแบบนี้ที่สุด โยกก็นนนนะวันนี้เลยจะแกุทนุกองไหนกลแตก็คือตัวแทนของอทาายาใหมใหม่อะไรตัวแทนยังไงต้องถามต่อแทนแบบไหนคำว่าตัวแทนคือตัวแทนยังไงต้องต้องซักต่อนะปัญหานี้ยังไม่ชำระ รเรราาาเเพพจจ้าาใจก็มดี๋ยวโยอมสารวยเห็นพระพุทธลกแล้วเห็นพระทานในบรารมีของท่านไหม <Okay. S 2> เห็นด้วยการเราได้เอาไปไม่ใช่เห็นพระทา น, นบรารมีของพระพุทธเจ้าไหมตระหนักไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานมามากมาย <Okay. S 2> แล้วเห็นทานในบรารมีในเราไหมนี่อย่างนี้ยั ง, ยงไม่ถึง ไม่แล เ, เ, เห็นไหมว่าเราที่เราเราเราเราจเจริญทานกุศลเนี่ยเราเดินตามรอยพระพุทธ้าไหม <Yeah. S 2> เราตนนักอยู่ในใจเราได้ไปถวายไหมถวายรายงานพระเจ้าบ่อยๆไหมข้าพเจ้าอุบาสิกาสมวยมีความเชื่อมั่นขอถวายรายงานได้ถวายทานกุศลถวายเป็นพุทธบูชา <Yeah. S 2> ก็ พูดป๊อปไ ป, ปเลยทําอะไรไปบ้างถาวายรายงานทุกวันไหมไม่เคยถวายได้แต่ไดเลือกเองก็ทีนี้พอพอพอระลึกอยู่ในใจมันได้แต่มโนกรรมไงได้แต่ใจไงกายกรรมต้องบันนมมือถาวายรายงานท่านวจียยกรรมก็ต้องบอกแต่เราบอกแบบเรามีข้อมูลนะไม่ใช่บอกแบบงม ง, งาย น, นะเราถาวายรายงานพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้ า, านี้ เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นอบน้อมเดินเดิมตามเดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาได้บําเพ็ญทานบารมีตามพระพุทธเจ้าแล้วจาักการะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากการสละวัตถุภายนอกนี่แหละแต่เป้าหมายคือการสละกิเลสข้าพเจ้าก็ได้ทําและฝึกฝนเพียรพยายามและจักสมาทานให้มั่นคงไม่ถอนความตั้งใจ จนกว่าจะได้มาซึ่งอนุปาทาปริพานเดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวแล้วพูดไปก็ปลาโมดปีติน้ำตาไหลไไก็ได้แค่ใจไงกายกรรมถามว่ามือเนี่ยเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะไม่มือสองข้างเนี่ยเออตอนนี้ก็มาป น, นมไหวพระพุทธเจ้ า, าบ้าง ปากเนี่เราไปพูดที่ไม่ดีมาเยอะนะเนี่แล้วพูดดีกับไม่ดีเนะี่ยเราพูดไม่ดีมาเยอะนะในสังสารวัฏเนี่ยวันนี้เราจะปากถวายเป็นพุทธบูชาหรืพูดดีๆเขาจะเขยิบเอออย่างเงี้ยทั้งกายกรรมวิจิกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมลบชิดไม่ดีมาเยอะแล้ววันนี้เราจะคิดบูชาพระพุทธเจ้าก็ทํากายกรรมวจีมรรมกรรมมโนกรรมถวายเป็นพุทธบูชาต้องทําทุกวันดิว่าชีวิตเนี่ยจะขาดอยู่แล้วไงเราไม่ใจขาดใช่ไหมล่ะ ตรงนี้ที่ทําตรงนี้อะไม่ได้ทาแบบงมงายทำแบบเข้าใจคุณและลึกถึงคุณเชื่อมั่นในคุณนะไหนแปลกใจไหมว่าในสมัยขั้งพุทธกาลเขาทาไมเขาฟังธรรมะทั้งคืนกันแปลกใจไหมว่าทําไมเขาฟังได้ทั้งคืนเพราะเขาถือว่าการฟังคือการปฏิบัติธรรมแล้วบางองค์ฟังไปก็บรรลุไปในขนาดนั้นลองที่ ด, ดูอุบาสกบาสิกาบางท่านนั่นเขปฏิบททัติธรรมเขปฏิบัติอย่างนี้นะ เขฟังฟังฟังคบรรลุก็มีบางคนประกาศตนบรรลุเลยเนี่ยประกาศตนถึงบร า, ารัตน่าใจในขณะนั้นเลยสังเกตดดุไหมนี่เราก็ไม่รู้อพอฟังทำเดือนนี้เรามันจากัดบล็อกบล็อกบล็อกบล็อ ก, อกหมดหรือการปฏิบัติธรรมอย่างอื่นเหมือนกันการไปนั่งกรรมาฐานแล้วก็บล็อกเวลาไว้การให้ทานแล้วก็บล็อกเวลาไว้เราไม่เคยมาเอาระลึกต่อทุกมันก็เลยกลายเป็นแค่รูปแบบไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงเนื้อตัวของทานสี่จริงๆของภาวนาจริงๆ มันก็เลยเป็นชว่วงพักชว่วคู่ชวงพักชวงคู่กระทอนกระแท่นบ า, ทบางทีบางทีคำพูดก็ต้องดูสภาพจิตใจนะบางทีคำพูดเนี่ยนะเออคนที่เข้าใจเนี่ยเขาร้องร้องเรียกพระ น, นามของพระเจ้าได้โดยไม่ต้องมีใครเห็นนะทัเกียตดูไหมเวลาเขาเกิดความหกล้ม แกลแอมไอก็นโมสัมพุทธัสะขอนอบน้อมแด่รพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเขาไม่เกิดเขื่เลย<ม>พราะถ้าคนอยู่ในใจตลอดเด่นชัดมากใช่ ไ, ไมอย่างเราที่จะทำอะไรมองหน้ามองหลัง <c oughs> <c oughs> อายเขาอายที่จะเรียกชื่อพระเจ้าใช่ไหมล่ะเกณฑ์เราเราเกณฑ์ใจใครรู้ไหม เก่งใจกิเลสในใจเราไม่ได้เก่งใจใครเราเพราะเราเนี่ยให้กิเลสบงการชีวิตมาอย่างยาวไกลนั่นมาวันนี้กิเลสตัวนั้นมันยังครอบงำอยู่เราจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าเป็นอุบาสิกาจริงๆไม่กล้าไม่กล้าเปิดเผยเป็นอุบาสกาเป็นอุบาสิกาจริงๆนะยัยงกเกษมเนียตอนนี้กล้าอย่างกล้าแเลยเนาะออกเป็นตัวแทนใช่ไหม คืออย่างนี้โยมสมมติว่าเอางี้นะว่าถ้าโยมออ่ไปกล่าวสรารเสรินนะกล่าวสรารเสรเิ น, นนะสรสรพระเจ้าเป็นดินนะสารเสินพระเจ้าเป็นดินเน่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเห็นจะไม่ชัดยอมเข้าใจคําว่าเอกอัครจะทูตไหม พูดที่เขามาอยู่ประจาประเทศไทยแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยถามว่านั้นเขาเป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศไหมถ้าเราไปประทุสลายเขาเชื่อประทุสลายหัวใจของประชาชนทั้งประเทศไหมใช่ไหแล้วถ้าเราไปประพฤติดีกับเขาก็เชื่อประพฤติดีต่อประชากรทั้งประเทศเขาสงหนึ่งองค์ก็คือเป็นตัวแทนสงทั้งจักรวรร ฉะนั้นเราปฏิบัติไม่ดีต่อสงฆ์หนึ่งองค์ก็คือเราปฏิทินล้ายสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะเราไม่เห็นคุณท่านและถ้าไปนอบน้อมสงฆ์หนึ่งองค์แต่ใจเราจะถึงจะเข้าใจตรงนั้นไหมตรงนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจนะเพราะความเข้าใจเดิมเรามันหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองไนงะนี้ถ้าเราจะเข้าใจว่าโอ้โหเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นองค์แทนของ ท่านเป็นท่านเป็นตัวแทนของสงมารับทานของเราชัดไหมเงี้ยท่านเป็นตัวแทนของสงมารับทานอกุศลของเราถ้าอ๋อก็เข้าใจตถูกไหมว่าเออว่าถ้าเรานิมนต์สงสี่องค์มาบนบ้านเรา เราคิดว่าเราคิดยังไงเราต้องการทําบุญของเรานี่แหละใช่เราคิดว่าโอ้โหมันเป็นอัปมงคลหรือเปล่าแต่คนไทยส่วนใหญ่ต้องคิดยังไงหรือเปล่าเขาโอ้โหไม่ได้แล้วเนี่ยสองสี่ลูกเข้ามาบ้านเนี่ยไม่เอาแล้วโอ้โหไม่ได้วันนี้แย่แล้ะลาบากอึดอัดใจเลยใช่ไหมคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ เพราะเขาไปถูกบล็อกว่าสี่องค์สวด颂ไงสี่องค์สวด颂งั้นพ่อคุณไอ้พแต่ยิงภาพอตอนตอนกลางคืนเดี๋ยวก็จะมีถามปัญหากันนะาเข้ามาโดยที่ว่ามาธุระปัดตามอะไรเงี้ยไม่เป็นไร ร, รู้ว่า ที่ขาถือกันว่าต้องนิมนต์มาถ่ายทีบ้า น, นจะมาเองหรือนิมนต์ไม่เป็นไรทั้งนั้นนับวัตบุญยาลาบของเราแล้วรีบไปล้างเท้าให้ท่านเลยเป็นบุญแล้วเป็นบุญแล้วเร <c oughs> ื่าโบราณไหนต้องนิมนต์มาถึงใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราเข้าถไป ร่างกายอย่างแรกแน่แท้ตอ่รไปสู่กมานโดยที่มีการรัวางอย่างที่เราเคยอสือเาว่าเห็นความไมเี่ื อ, อ๋อยง น, นี้คือตรงนี้จริงๆแล้วกาไว้พูดอีกวันคถามตอนนี้ก็คือพูดคร่าวๆเนาะทำไมต้องมีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยความเชื่อมั่นหรือศรัทธาหรือตัว ตัวฉันท่าที่มีความปรารถนาอย่างความรักอย่างแรงกล้าในพระธรรมทั้นหานำไปสู่สมาธิความเพียรพยายามที่เป็นตัวสร้างสารรค์ก็เกิดประคับประคองใจให้มีความตั้งมั่นในคุณของวุติยะและ้วละลึกทีายก็ตั้งมั่นละลึกทีไยก็ตั้งมั่นทําความตั้งมั่นนั้นให้เป็นวศีให้ชํานาญเมื่อตั้งมั่นจะเป็นวสีจนชํานาญเบ็ดเสร็จแล้วสมาธินั่นแหละ จะได้เป็นสนามที่จะทำให้ปัญญามาโลดแล่นแล้วก็จะได้มาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเข็นชัดขึ้นปัญญาทุกวันเนี่ยเข็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แข็งแรงเพราะเป็นปัญญาที่ตั้งบนสมาธิที่อ่อนเอมากๆเกิดได้แวบเดียวก็หมดแวบเดียวก็หมด ไม่ได้ละคายถ่ายถอนเห็นความเป็นจริงของกระแสชีวิตตามความเป็นจริงได้จริงและไม่ได้ปล่อยวางได้จริงเพราะถามกําลังใจเนี่ยมันไม่ตั้งมัน่นฉะนั้นพระรัตนะตรคือพุทธรตัตนะจึงเป็นฐานสําคัญต่อการที่จะทําให้จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วต่อมาก็จะได้เป็นฐานในการเดินปัญญายาณ ที่เข้าไปเจาะทะลุทะลวงเห็นกระแสชีวิตตามความเป็นจริงสามารถที่จะวิจัยได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเมื่อวิจัยแล้วจนเกิดล้าขึ้นมาก็กลับเข้าสมาธิที่มีพระจันทร์ไตรเป็นอารมณ์ได้อีกพอพลังจิตนั้นมีกําลังมากขึ้นก็ถอยออกจากสมาธิก็วิจัยต่อปัญญาก็ฉลาดขึ้นแหลมคมขึ้นชัดเจนขึ้นถ้าวิจัยเบ็ดเสร็จก็ยังไม่สามารถละกิเลสได้จิตมันเริ่มจะ อ่อนกำลังลงก็กลับเข้าสมาธิใหม่เขาสลับอย่างนี้อยการปฏิบัติเป็นแบบนี้แลต้องดูว่าสมาธิมาจากฐานอะไรมันกว้างต้องบอกว่าสมาธิมาฐานจากพุทธคุณมาฐานจากธรรมคุณหรือมาจากฐานสังคคุณมาจากฐานศีลมาจากฐานของจารานุสติหรือมาจากฐานของสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดก็ไม่ออกจากพระราชนตรัแต่ไม่ใช่ว่า เบื้องต้นจะมาปฏิบัติแต่ไม่รู้จักพระรัตนตรัยเลยแต่ว่าก้าวแรกคุณสอบตกแล้วคุณไม่ได้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยจริงแล้วกลายเป็นธรรมะของอาจารย์ไม่ใช่ธรรมะ ข, ของพระรัตน์ของผู้เรียนก็เลยกลายเป็นลัทธิอาจารย์พระทัเรามังอาจารย์เป็นเพียงที่ปรึกษาที่จะทําให้เราเข้าถึงพระรัตนตรยัย อาจารย์ไม่ใช่ศาสดานะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาที่จะพะคับประคองกระแสชีวิตของเราให้เข้าถึงพระรตนาไตรเมื่อเราเข้าถึงพระรตนาไตรแล้วอาจารย์ก็หมดหน้าที่แต่ไม่ใช่อาจารย์มาบอกให้เรามาเข้าถึงอาจารย์ซึ่งอาจารย์ไม่ใช่เป็นหนึ่งในพระรตนาไตรต้องเข้าใจให้ชัด ฉะนั้นอาจารย์ต้องเป็นที่ปรึกษาพากระแสชีวิตของเราให้ไปส่งถึงพระราชนตรัยอาจารย์ผู้นั้นทําหน้าที่ของตรเองบริบูรณ์ความดีของอาจารย์ก็คือว่าเป็นเพื่อนเป็นเป็นที่ปรึกษานําเราสู่พระราชนตรัยนาไปส่งถึงพระราตนตรัยได้อย่างถูกต้องอาจารย์เป็นมีความดีคุ้มค่านตรงนั้นแต่อาจารย์ไม่ใช่สารณะอย่าไปถืออาจารย์เป็นสารณะเพราะอาจารย์ก็ยังต้องถือพระราชนตรัยเป็นสารณะ แต่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้เพราะอาจารย์ฉลาดในคำสอนทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะบอกวิธีการบอกข้อปฏิบัติเราได้ข้อปฏิบัติเราก็เดินเข้าถึงพระรัตนตรยัยก็หมดภาระซึ่งกันและกันดีไหมแบบนี้ไม่มายึดยงที่ตัวอาจารย์แต่ยึดทุกคนไปยึดโยงที่พระรัตนตรยัยแต่มีที่ปรึกษาเบื้องต้นที่ดีปรึกษาไปจนเราแข็งแรง ตอนเราถึงพระราชณัฏย์ไปเสศ็จก็อาจารย์ที่ยังเป็นอาจารย์อยู่นั่นแหละสังเกตดุไหมว่าภาษารีบุตรก็ยังเคารพพระอัชชิอยู่จนท่านปรินิพานเพราะท่านเห็นว่าอาจารย์ของท่านนี่แหละพาท่านไปนเฝ้าพระเจ้าอย่างไทงทั้งท่านที่อาจารย์บอกให้ท่านบรรลุนี่แหละแต่ท่านรู้ทันทีว่าพระธรรมไม่ใช่เป็นของอาจารย์แต่เป็นของพระเจ้า ท่านจึงขอบคุณอาจารย์ท่านแล้วแล้วเราเล่า ว, ว, ว, ว, ว, ว่าอาจารย์ทำให้ท่านเข้าพ้าพรธเจ้าได้ถูกต้องเขาถึงว่าทำพระอดียสมได้ถูกต้องเขาใจยัง